ถ้าทำพระเทศนาของท่านหลวงตารลองศักดิ์สีนาวิโยู่อนความสุขอยู่ที่ความไม่มีอะไรอยู่ตอนแรกเราก็ยังตอนสมัยนั้นเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะตอนมาหลังๆนี่เรามาพิจารณาอ๋อเด็กไรเดียงสาเนี่ยเขาไม่มีอะ การมตนหาราคะไม่มีเด็กไรเดียงสาไม่มีการมติหาราคาพระหลัหันก็ไม่สิ้นแล้วจึงการมติหาราคะเด็กไยเดียงสาไม่มีความโลภที่จะเอาความความโลภที่จะครอบคยเอาประโยชน์จากใครไม่มีอยากจะเอาอยากจะล่มอยากจะรวยโอ้ยอยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่อยากจะล่มอยากจะรวยอยากจะเอากูจะเอากูจะเอาไม่มีเลยในเด็กไยเดียงสา ความโลภไม่มีที่จะเอาจะเอาแต่เวลาเห็นเพื่อนเล่นของเล่นก็ไปเอาเข้ามาเล่นแล้วก็ตีกันกัดหูกันแย่งกันสุดตับสุดตับแต่ก็เป็นไปตามกิริยาการของจิตที่บริสุทธิ์แต่พอได้มาแล้วเนี่ยคิดโลกอ่าอู่นี่จะเอาเอาแล้วก็หวงแหอะไรไหมเล่นแั่เดียวเบื่อแล้วทิกไม่ได้ยึดจริงจจังจานนั่นแหละคือหลาน คือกิริยาการจิตเนี่ยตรงไปตรงมาเวลามีอารมณ์โมโหก็คือโมโหตามปกติเลยเหมือนเด็กในเดียสาเวลาแย่งขอ ง, งกันนี่ก็โมโหตามปกติโมโหตามปกติแต่ความอาฆาตแค้นแค้นเถืองค้างคาผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทน้อยเนื้อต่ําใจไม่มีในเด็กไรเดียนสาในพระอาจารย์ก็ไม่มีแต่ความโมโหมีตามปกติเลยเหมือนเด็กไรเดียนสาเวลาแย่งของ เ, ขเล่นกันปกติการตุกตุกตับ แล้วก็แง่แล้วก็เล่นกันอีกฮะอยากเล่นกันอยู่ น, นั่นแหละไม่มีการโกรธแกนแกนเกลื่งค้างขาแต่พวกเราเนี่ยโดนเข้าไปหน่อยเดียวไม่ต้องโดนศบโดนตีเลยหรอกโดนว่านิดเดียวแค่ น, นั้นแหละโกดทุ๊กป่องทุ๊กป่องไปนานเลยแต่อาหารไม่มีไม่มีแล้วแล้วเลยเราอยู่กับอาหารมาหลายรูป ท่านก็มีเมทางตามปกติกันแล้วก็วแล้วเลยโดยขึ้นแวบแล้วก็หายไปเลยไม่มีแค้นเคืองไม่มีค้างคาไม่มีน้อยเนื้อสั่มใจผูกใจเจ็บอาการปิยบาดใครความโลภไม่มีการมาตัญหาลาคะความลุ่มหลงอะไรหัวทิ่มหัวปักหัวฟั่งอย่างพวกเราไม่มีถ้าเราอยากจะปฏิบัติตัวพวกเราให้สิ้นทุกข์ให้เป็นพระอาหารไม่ว่าจะเป็นพระหรือฆราวาสสามารถทําได้หมดปฏิบัติอย่างนี้ ไม่ใช่ไปบังคับจิดหินนิ่งอย่างเงี้ยเด็กไรเดินสาทำไม่เป็นพรารหันก็ไม่ทำไม่ได้เปบังคับหินไปคนบังคับอยู่ไม่เป็นแต่มีอะไรแล้วก็แล้วเลยอะไรแล้วก็แล้วเลยไม่ยึดไม่ติดไม่ติดอดีตไม่ไปกังวลกับอนาคตเด็กไรเดินสาไม่มี ไปกังวลกับอดีตมันก็ที่นั่นบอกว่าไยเอาเรื่องของอดีตมาคิดไม่มีแต่แค่สา ม, มีแต่ปัจจุบันกิวก็กินห่วงก็ น, นอนไม่ได้กินก็่ลองแงกพราะได้กินแล้วไปหลับไปตื่นมาก็เล่นต่อชีวิตมีความสุขมากเลยเราลองลึกทบทวนไดูดิพอเราเริ่มแก่แหญ่ขึ้นมาความทุกข์ก็เริ่มเข้าครอบงำเราเริ่มมีความทุกข์ตั้งแต่เมื่อไหร่เราเริ่มมีความทุกข์ตั้งแต่เราเริ่ม รู้ภาษารู้เดียงสามาเริ่มมีความทุกข์เราเริ่มมีความทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆเสร็จแล้วพอเราโตหน่อยเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็อยากเอาแล้วอยากได้อยากมีแล้วอยากมีแฟนอยากมีครอบครัวแล้วเราก็มีความทุกข์กับครอบครัวอยากมีงานอยากมีเงินอยากมีบ้านใหญ่ๆมีรถสวยๆอยากมีตําแหน่งราบยศ มีเงินเยอะๆมีอสังหาริมทรัพย์มากๆเรามีแต่เพิ่มขึ้ น, เ พ, นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความทุกข์เราเลยเพิ่มเงาตามตัวจากที่เราเนี่ยไม่มีความทุกข์ความที่เราเคยหัวเราะเคยสนุกสนานเคยล่าเริงเหมือนเด็กในหนัึกษามันหายไปจากเราจนหมดสิน้นเราเริ่มหัวเราะไม่ออกหัวเราะแต่ใบหน้าแต่ใจเราไม่ได้หัวเราะเราเคยแย่กว่นึงพูดเล่เล่นนิดเดียว ผู้ที่าปฏิบัติธรรมเดินไปเดินมาตีแย่กรุนุดเล่นหัวลอกกับคนนู้นหัวลอกคนนี้เราพูดไปคํานึงว่าหัวเราะแต่ใบหน้าแต่ทําไมใจไม่ยิ้มเลยล่ะแค่นั้นแหละร้องห่มร้องไห้เป็นวักเป็นเวศสามีไม่ดีอย่างนั้นสามีไม่ดีความสุขที่เราเคยมีตั้งแต่ไวเด็กไ ว, ไวัยแต่เลี้ยงสาวมันหายไปจากใจเราหมดสิน้นเมื่อเราแก่แดดมากขึ้นไปเรื่อย เรามีความโลภมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่น้อยลงความทุกข์เราก็มาจากไหนล่ะมาจากที่เรามีความโลภมากขึ้นไปเรื่อยๆโลภอยากได้คู่ครองโลภอยากได้ลูกโลภอยากได้สมบัติพรสถานโลภอยากได้ตำแหน่งลาบยศโลภอยากได้เงินเยอะๆเงินเยอะๆตำแหน่งเยอะๆล่ารวยเยอะๆเรามีความโลภไม่รู้จบสิความโลภมีมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่น้อยลงความโกรธแค้น แขนเกรืองอาาักข่าพยาบาทปูกใจเจ็บโกรธใครไม่ยอมให้อภยัยเราก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความรุ่มหลงของเราซพิ่มากมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีน้อยลงนี่แน่ทำไมเราจงมีความทุกข์มากขึ้นความที่เราเคยมีความสุขความผ่องใสความล่าเริงหัวเลาะตั้งกายและใจตั้งแต่สมัยเด็กไ้เดียนสามมันหายไปไหนหมดแล้วมันหายไปไหนหมด เพราะอะไรเฉพาะความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะนี่นะและตัวที่มันล้ายกาศนี่กิเลสพันห้ัญหร้อยแปดนี่มันรวมลงที่ความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิหรือความโกรธความโลภความหลงเนี่ยความเออราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิตัวกิเลสใหญ่จริงๆกลับไปเป็นมานะทิฏฐิที่เราเห็นกลับไม่ใช่ความโลภความโกรธความหลงตัวมานะทิฏฐิ ความเห็นของตัวนี่เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แต่ละคนตั้งความเห็นมีความเห็นของตัวเองเป็นเป็นไว้อยู่ในใจเป็นเรื่องใหญ่มากไม่ยอมเอาความเห็นเก่าไม่ยอมเอาความรู้เก่าไม่ยอมเอาความยึดมั่นอย่างเก่าอ้อจิิงไปจากใจก็เพราะความเห็นนี่เนี่ยความเห็นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติอะไรมาปฏิบัติธรรมก็ให้มันสิ้นความโลภความโกรธความหลง มานาทิฏฐิหรือราคาโทสะโมหะมานาทิฏฐิให้มันสิ้นไปมันหมดไปให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆจากที่เรามีนี้เพราะเรามันมีมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆสั่งสมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมาขัดเกลวเอามันออกไปให้มันน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปในความรักและความชังที่มันมันมีเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่เด็กไรเดียงสาที่เรามีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ให้มันน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปแต่ละาพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเด็กอรหันเนี่ยไรเดียงสานะไม่ใช่ว่าคือเด็กไรเดียงสาคือจะต้องเป็นอารหันทุกคนไม่ใช่แต่หมายถึงว่าพระอรหรนันติจิตท่านเหมือนกับเด็กไรเดียงสาแต่ไม่ใช่ว่าเด็กไรเดียงสาแล้วเกิดมาก็เป็นอรหันทุกคนไม่ใช่คือวาฝึกฝ่ยหลังลงไปจากความโลภมันเปนสิ้นความโลภลงไป จากความโกรธก็ให้มันสิ้นความโกรธไปจากราคะหมกมุ่นในการมาตัญหาราคาก็ให้มันมันมันหายไปความรุ่มหลงของเราเนี่ยต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ให้มันหายไปหมดสิ้นไปมานะที่จิตที่จิตมานะเอาความเห็นความรู้ความเห็นของเองตั้งไว้ขะทานไว้ถือตัว ถ, ตถือตนก็ให้มันหายไปหมดไปนี่ไงเรามาปฏิบัติเพื่อไอ้สิ่งเหล่า น, นี้ยมันน้อยลงไปหมดไปไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้เรารู้ล้ออะไรมากมายหรอกไม่ใช่ ไม่จะ่ว่มีความรู้อะไรเพิ่มขึ้นมีแต่เพื่อไอ้พวกเหล่นี้มันหมดไฟ <PM, S 1> หมดไฟหมดไฟไม่ใช่ว่าเรามาปฏิบัติเราเก่งขึ้นเรารู้อะไรมากขึ้นเก่งขึ้น vation, กว่าใครเลยกลายเป็นยิ่งว่าปฏิบัติตามยิ่งมีมานานที่ดมากกว่าใครกลายเป็นรู้มากขึ้นกว่าใครเห็นมากกใครเก่งมากกว่าใครแต่กิเลสไม่ได้มันก็เลยไม่ได้ลดลงไปแถมกิเลสก็กลับไปมากกว่าใครอีกเนินหเรามาปฏิบัติเราต้องเดินเป้าหมายให้ถูกคือเพื่อมรณะความโลภความโกรธความหลง มันจึกต้องมาฝึกที่ใจของเราฝึกให้เกิดสติปัญญาฟังให้มันรู้ให้มันเข้าใจในสติปัญญาของเราพอเราเนี่ยไม่ปรารถนาจะเอาอะไรแล้วมันยากเลยมันไม่ยากเลยหรอกถ้าปรารถนาที่จะเอาแล้วไม่เอาอะไรแล้วไม่คิดจะเอาอะไรแล้วไม่คิดเอาอะไรแล้วกลับบ้านได้เลยสามารถไปบรรลุอรหันต์ที่บ้านได้เลยเอาว่าเนะ่ความที่จะเอามันก็ไม่มีแล้วไม่อยากได้อะไรแล้วไม่อยากได้ไม่อยากเอาอะไรแล้ว รูปแบบหรือกรรมวิธีทุกชนิดเนี่ยมันเป็นเพียงแค่รูปแบบที่มาช่วยทําให้เราเนี่ยมันสิ้นทุกไปนั้นจะรูปแบบไม่ว่าสมณานิวัดไหนหรือใครสอนอย่างไหนก็ตามมันก็เพื่อทั้งหมดแต่ก็เพื่อให้เราสิ้นทุกแต่การปฏิบัติแล้วมันทําให้มีกิเลสมากขึ้นมีความทุกข์มากขึ้นกลับไปเพิ่มกิเลสมากขึ้นเพิ่มตัวเก่งมากขึ้นอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่คําสอนพระเจ้าปฏิบัติไปแล้วกลารไปเพิ่มตัวเก่งกลายไปเพิ่มความโลภความอยากมากขึ้น อันนั้นยังไม่ใช่ไม้ใ ช, ใช่หลักทำคำสอนของพุทธเจ้า น, นั้นให้เราํำรวจดูนะว่าปฏิบัติเนี่ยเราทุกข์กับอะไรทำไมเราจึงเป็นทุกข์ทุกข์กับพอยึดนั่นแหละทำไมเราจึงยึดอยู่ละเราก็ต้องมีเหตุผลที่จะทำให้เราไม่ยึดเหตุผลเราคิดไม่เป็นแล้วก็ฟังคำสอนพรพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนก็ไม่จะบอก เหตุผลแ ง, ง, ง่นู้นแง่นี้แงนั้นแต่เราบอกแล้วเราเรายังไม่ปล่อยวางก็ไม่รู้จะทำํำยังไงก็หายผลมาหลายหลายอ ย, อยา่างทำไมเราปล่อยวางการคิดหลักไว้อยู่แค่นี้นะการปฏิบัติอ่ะไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรอันถ้าก็ต้องสํารวจตัวเองอ่ะทําไมใจของท่านยังมีความทุกข์อยู่มีความทุกข์ความเครียดมีความกังวลความมีเนี่ยมีความทุกข์ มีอะไรก็ทุกไปนั่นแนะมีอะไรก็ทุกอยู่กับไปนั่นแนะความไม่มีอะไรเลยเนี่ยเป็นสุขที่สุดในโลกแปลกจริงๆเลยมันกล right. ับกลับได้ยังไงก็ไม่ทราบความไม่มีอะไรเลยกลับเป็นสุขในโลกความมีกลับเป็นทุกข์แม้แต่มีวัดนะมาบวชแล้วเราไปมีวัดก็จะเป็นทุกข์มากเลยตอนนั้นเราไปสร้างวัดดีกวัดจังพวกลูกศี่ลูกหาเราก็อยากให้เรามีวัดเป็นของตนเองเราก็อยากมีวัดของตนเองเริ่มไปสร้างวัดโอ้โหสร้างก็แล้วเป็นทุกข์จริงเลยเป็นทุกข์ เป็นทุกข์กับการหาเงินเป็นทุกข์กับการก่อสร้างหาช่างมาก่อสร้างอุ้ยวุ่นวายเลยมาเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยเราเลยไม่เอาแล้วเข็ดเราเป็นทุกข์กับโลกมามากพอแล้วเรามามาทุกข์กับการสร้างวัดเป็นโลกอีกเราไม่เอาแล้วเข็ดไม่เอาแล้วเราเลิเลิกเลยเลิกเลิกตัดสินไม่เอาแล้วเราไม่คิดจะมีวัดไม่คิดจะสร้างวัดเราก็พอจากวัดนี้ไปเขาให้ออกไปเราก็ออกไปเ้าให้ออกไปเราก็ออกไปเรื่อยคือเรามีลูกศิษยลูกหาเยอะเราเลยอยู่ที่ไหนได้ไป็นาน เราก็ออกไปออกไปออกไปเรื่อยๆเราก็เล่ล่อนไปเรื่อยพอคำสาเราก็กไปขออาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็มีความสุขนะเราจรึงรู้สึกว่าความไม่มีอะไรเนี่ยเป็นสุขในโลกแปลกจริงๆเลยเออมความไม่มีอะไรมีสุขได้ยังไงเออมันมีทําไมมันไม่สุขแบบนี้พอไม่พอไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวเงินทองก็ไปจับไม่มีอะไรเลยเราสบายไปอย่างสบายเลย ผมว่าไม่มีอะไรห่วงไม่มีอะไรกังวลเลยมันกลับเป็นสุขที่สุดในโลกแต่ความมีกลับเป็นทุกขออ์แปลกจริงๆเลยไม่ว่ามีอะไรเป็นทุกข์หมดเราไม่รู้สึกว่าเรามีอะไรเลยเรารู้สึกว่าเราไม่มีเพราะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วไม่มีใครจากไปด้วยที่จริงก็ไม่มีใครจากไปทุกอย่างก็ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือไม่มีใครแล้วต้องจากอะไรไปที่พระพุทธเจ้าตรัส ว, ว, ว่าจิต ห, หรือวิญญาณของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันเนี่ย ดับไฟเหมือนดังไฟที่สิ้นเชื้อเปลวไฟที่สิ้นเชื้อพอพุทธเจ้ า, เาหรือว่าหลานเมื่อท่านสิ้นยึดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรในใจของท่านทีค้างคายแล้วที่ยึดหนึ่งอะไรที่ั่นยึดอีกแล้วไม่มีอะไรอยู่ในใจสักอย่างเลยวจิตหรืวิญญาณก็ดับไปเหมือนดังไลยเปลวไฟเปลวไฟเทียนเนี่ยที่ถูกเป่าดับไปดับไปเลยดับหายไปเลยนั่นแหละมันจึงไม่มีใครต้องจากอะไรไปไม่มีใครต้ไปไหนอันนั้นแหละมันกลับเป็นคนวามสุขที่สุดในโลก เพราะว่ามันไม่คิดว่าจะไปไหนและมันไม่คิดว่าจะเอาอะไรไปแม้บุญกุศลสร้างมามา ก, ม า, กมายก็ไม่คิดว่าจะไปใช้บาปกรรมก็เลยตามบาปกรรมก็มันก็หายไปเป็นโมฆะไปหมดเพราะบุญก็ไม่เอาไปบาปมันก็เลยไม่มีนี่เนี่ยคือการแก้กรรมของ oh, บุญศาสนาเพราะว่าพอบุญไปหมดแล้วหายไปเหมือนเปลไิจิตวิญญาณดับไปเหมืนอนในเปลวไฟที่สิ้นเชือ้อหรือเปลวไฟที่ดับไปบาปมันก็ตามไม่ทันแล้วมันหาไม่เจอ ยมบาลยมทูตสหาไม่เจอหาวิญญาณไม่เจอบุญมันก็ไม่ได้เอาไปใช้มันหมดแล้วทั้งบุญทั้งบาปเป็นโมฆะหมดการเรียนไหว้ใจเกิดก็เป็นโมฆะเพราะว่ Tampa, ายบมทูตยมบาลสหาวิญญาณไม่เจอมันดับไปเหมือนด่างเปลวไฟที่ ส, สิ Gur ้นเชื้อนี่แหละเพราะฉะนั้นจึิงไม่มีใครที่จะไปไหนไม่มีเราก็ไม่ปรารถนาที่จะไปไหนในปัจจุบันมันจึงไม่มีอะไรเพราะไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรเราไม่รู้ความสุขว่าเรามีอะไรแล้วเราก็ไม่ปรารถนาเราจะไปไหน แล้วก็จบลงแค่ปัจจุบันเราตายเมื่อไหร่ก็จบเมื่อ น, นั้นตายเมื่อไหร่ก็จบเมื่อ น, นั้นก็จบลงแค่ที่ตายมีชีวิตอยู่ก็ทําประโยชน์ทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ศาสนาช่วยเหลือเพื่อนคุณผู้อื่นไปจนกว่าจะวิจญาณไหมก็ทําแค่นย้ชีวิตเราก็ล่อนเล่ไปเลยทําประโยชน์ไปจนก่อนชีวิตเราจะดับไปสร้างพายาดทิ้ไงไว้ให้แก่โลกนี้แค่นั้นเน่ทําประโยชน์แก่มนุษย์เศรษฐี ด, ดาอินผมยมยักษ์นาคุตมนุกคลทันสรรพสักว์ทั้งหมด ท่านว่าเราไปเทพที่ไหนแต่และที่ท่านมาฟังธรรมไม่ได้มีแต่มนุษย์หรอกเพราะว่าเรามีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเราก็เลยอธิษฐานให้หมดแน่อธิษฐานคิดให้หมดเราไปสอนธรรมที่ไหนอย่างไรทุกครั้งที่เรามีการสอนธรรมที่ข้าพเจ้าสอนธรรมที่ไหนแสดงธรรมที่ไหนในทุกที่ตั้งแต่ปัจจุบันและอนาคตเป็นต้นไปสัปดาห์นี้ไปต้นไ ป, มน ไ, ปไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ีไม่ใช่มนุษย์ก็ดีเทพเทนนวดาอินพรหมยม ย, ยาณขุนมนุษย์ คนทางสัพสับทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ภูมิในโลกชาติใดไม่ว่าจะอยู่จักรวาลใดไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลไปไในทุกทิศทางไม่มีที่สุดในมันจนได้ยินเสียงธรรมที่เราสอนใครที่ตามไปปฏิบัติธรรมเราก็ได้ในทุกที่ก็ให้ตามมามาให้ตามมาไม่ได้ปพราะติหน้าที่ในที่ต่างๆก็ให้อนุโมธนาเอาให้ได้ยินธรรมที่เราสอนให้ธรรมที่เราสอนเนี่ยเป็นธรรมของพระเจ้าไม่ใช่ธรรมของเราเป็นธรรมของพระเจ้าเนที่ที่สอนที่สอนผ่านเราเนี่ยที่เราเอามาสอนแทน ผ่าเราเนี่ยทุกครั้งในปัจจุบันเนี่ยให้เขาสะเทือนเข้าไปกระแทกจิตใจกระแทกเอาวิชาไปในจิตใจของเราสมรสตั้งหลๆที่ยังเวียนว่ายใาเกิดไมว่าจะเป็นมนุษยกดีนไม่ว่จะมนุษยกดีไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใดนอกประเทศใดจักรวาลใดให้เขาสิ้นกิเลสตัณหาสิ้นอวิชาให้มันสะเทือนโลกธาตุภายในของทุกท่านให้มันดับเอาวิชาดับกิเลสตัณหาให้มันคนจับทุกข์ ให้มันรู้ทำเห็นทำตามบุญวาสนาบารมีของแต่ะท่านในกันทั้งหมดคนทุกท่านเตือนล้วก็อธิษฐานอย่างนี้เรืยไปเพราะนั้นชีวิตที่อยู่เนี่ยมันไม่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูกลสำมนุสละช่วยเหลือเกื้อกูลหมดแน่ทั้งทุกแดนโลกกระทำจงทําตนให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ต่อโลกประโยชน์ต่อสัพพสัตย์อย่างนี้แนะ อย่ามัวแต่ไปคิดแต่เรื่องส่วนตัวอย่าไปคิดแต่เรื่องผัวๆมีเมียคิดแต่เรื่องในครอบครัววุ่นวายงุงหนิงนงุ้งหนิงนงุ้งหนิงงุงหนิมันไม่ได้คิดออกไปจากนอกกระด้งเลยมันตายอยู่ในขอบกระดง้งมันต้องคิดถึงโลกคิดถึงผู้อื่นเราเนี่ยคิดถึงแต่ผู้อื่นอยากให้เขาพ้นทุกข์มนุษย์เราก็ไม่ได้คิดถึงมนุษย์อย่างเดียวเราคิดถึงนุ่นเทวทิิปดาอินพรมเยื่ยมยักษ์นาคุตขนทานกับปสัสสาวทั้งหมดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดสัตว์นิกสัตว์ให แล้วก็ปรารถนาให้ทุกท่านมีความสุขคนจากทุกข์พ้นจากความทุกข์ยากลาบากพ้นจากความทุกข์กายทุกใจให้รู้ทำเห็นธรรมความปรารถนาใดๆของทุกท่านที่ไม no ่ไม่ศีลธรรมก็ขอให้สมเด็จสมกามปรารถงานในทุกประการเราก็ได้ทานนี้เรื่อยไปลงทําตนเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์พศาสนาประโยชน์โลกประโยชน์กับสรรพสัตว์ที่างเวียว่าตายเกิดทุกขณะทุกลมหายใจเข้าออกเยียอมันจะได้ไม่ไปงงงงงงงหุนวายกัรทะเลาะบอกแวงกันจะเรื่องครอบครัว มันวุ่นวายแต่เรื่องตัวเฮวุ่นวายแต่เรื่องขับแคบเขาเรียกว่าแคบใจมันขับแคบคิดจะ่เรื่องแคบแคบมันก็เลยแคบอยู่วนเวียนทะเลาะกันอยู่ในครอบครัวเท่านั้นไม่ได้ออกไปไหนได้แล้วมันไม่ได้ออกไปเกือ้อกูลโลกเกือ้อกูลพระศาสนาเกือ้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นเลยเนี่ยมันต้องทําตันให้เป็นประโยชน์ฟังทำแล้วก็เร่งมาพูดปฏิบัตินําหลักธรรมคาสอนไปปฏิบัติปล่อยวางทุกอย่างลงในเวลารวดเร็วมันจะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นน่ะ ไปที่ไหนมันไม่ต้ ko ไปพูดเนตะพกฟางหรอกพวกอาน ม, sí <gorilla. S 1> มนุษสทั้งหลายเนี่ยเขามองเห็นหมดแน่เพราะว่าเวลามันปฏิบัติได้แล้วปล่อยวางได้แล้วเนี่ยปล่อยวางได้มากเท่าไหร่เนี่ยรังสีจิตมันก็ออกไปมันก็สว่างสวายไปทั้งโลกกระธาแน่แน่แล้วปล่อยวางไม่ได้เท่าไหร่ล่ะปล่อยวางไม่ได้มากแล้วมันก็ไอที่มาปกคลุมเหมือนเมฆมาบังพระอาทิตย์เนี่ยมันก็หายไปจิตเดิมแท้เหมือนกันดังพระอาทิตย์เนี่ยมันก็ฉายแสงสว่างสวาย ออกมาเลยจิตเดิมแท้เนี่ยมัน <c oughs> เวลาพลังของมันที่แผ่ออกมาเนี่ยมีความสว่างสวัยอุู่พระอาทิตย์เนี่ยแต่มันออกมาไม่ได้แสงสว่างเพราะว่ามันถูกอวิชชากิเลตันหาความทุกข์ความเครียดความกังวลใจที่เรายึดมัน่นถรือมั่นอะไรทีเนี่ยมันไปบังเหมกอนเ ม, มาบางัางพระอาทิตย์ทําให้เราเนี่ยต้องคอยร้องไห้บ่อยๆทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจน้ำตาไหลออกตาบ่อยๆก็เพราะว่านี่แน่ไอ้เมฆเนี่ยแน่ดิ้นระบังใจเราเนี่ยแน่ มันล่องหลังออกมาเป็นฝนไอ้จิตเดิมแท้มันหลังออกมาเป็นฝนไม่ได้เพราะจิตเดิมแท้มันก็มีกําลังพลังของมันอําน้าว่ามันเกือเพระเป็นดุดพระอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้ร้องไห้หรอกแต่อิกิเลสจิตที่ปรุงแต่งเนี่ยมันร้องไห้คือเมฆเนี่ยที่เบาบางเนี่ยมันร้องไห้ไอ้ที่ฝนตกลงมามันน้ําตาไหลออกมาเหมือนฝนตกลงมาก็คือเมฆเมฆที่มันตกมาเป็นฝนแล้วมันตกมาเป็นฝนเนี่ยพุทธองค์ตัดว่าเราเนี่ยสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่มีความทุกข์ เนี่ยโศกเศร้าวเสียใจครับแขนใจเนี่ยในเรื่องต่างๆเนี่ยถ้าเอาน้ําตาที่มันไหลออกมาเนี่ยไปรวมๆกันแล้วไม่เกิดแห้งไปอะ่ะน้ําตานี่มันความทุกข์ของสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันมากกว่าในท้องทะเลมหาสมุทรนี่มันมีแต่ความทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปพอทุกมันน้อยลงไปหน่อยก็นึกว่าเหมือนเป็นความสุขแต่จริงเนี่ยมันนั่งอยู่มันทุกทับทุกอยู่ เราคนเดียวเนี่ยเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยเป็นสัตว์ในรชานเปรตอสุรกายสับนรกวนวนไปนานที่สุดมากที่สุดจะเป็นมนุษย์เนี่ยยากที่สุดน้อยที่สุดกระดูกของเราตายแล้วเนี่ยเอามากองรวมกันเนี่ยทําไม่หายไปไหนเนี่ยคนคนเดียวเนี่ยตัวเราคนเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ากองเนี่ยกระดูกของเราเนี่ยมันใหญ่เท่ากับภูเขานี่เลยเนี่ยใหญ่กับใหญ่เท่ากับภูเขาลากานี่เลย อะไรชื่ออะไรเราประจําชื่อไม่ได้อะไรนะอะไรวาระอะไรนะเวลาบรรพศเวลาบรรพศเลยเนะนี่ยเนี่ยประจําชื่อไม่ค่อยได้ในแน่มใหญ่ขนาดนี้เลยที่เราเวียนตายเวียนเกิดเราเวียนทุกข์โศกเศร้าเสียใจกับแก้ใ จ, ใใจมันขนาดนี้เลยนะแล้วเรามาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ย่าตายแล้วเราจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้ง่ายๆนะยากที่สุดในโลกเราตายจากมนุษย์แล้วเนี่ยฟังธรรมแล้วไม่เอาไม่เอาไปปฏิบัติให้เร่งให้คนทุกไป เราจะกลับมาเป็นมนุษย์อยีกยากที่สุดในโลกเรานึกว่าเราตายแล้วเราสบายใจในรายตายแล้วจะได้หมดทุกข์แล้วเราไปไหนไปนู่นไปนู่นไปนี่ไปใหญ่ไปเป็นทุกข์หนักหนาสาหาัสตายแล้วไม่จะประดับไปหรอก ม, มันยังไม่ิยึดมือกับกระเด็นออกมา น, นอกตัวรูปร่างมนตัวเราเนี่ยมานนั่งร้องไห้ในงานศพตัวเราไม่ไปไหนหรอกร้องห่มร้องไห้อยู่นั่นแนะมาตายไปแต่ดตัว แต่กายโป่งแสงที่เป็นกายยึดเนี่ยมันไม่ดับเพราะมันยังยึดความยึดไม่ดับการโปงแสงมันเลยไม่ดับมานั่งร้องไห้ในงานสพ ข, ของตัวเองนะี่แหละทุกโศกเศร้ายังไงก็ขับแคลนใจกับร้องไห้อยู่ต้องห่มอยู่นั่นแหละคนมาเผาศพเขาก็าไม่เห็นเขเผาเสร็จเขกลับไปแล้วจะอยู่ยังไงอยู่ในโลกมนุษย์มันยังมีคนนู้นปอบยังมีคนนี้ปอบมีคนนั้นเอาใจคนนี้เอาใจแต่ในโลกนั้นไม่มีใครมาเอาใจหรอกมันมีแต่ความทุกข์กับทุกข์ในโลกนั้น เรื่อว่าค่าตัวตายแล้วจะบนลูกค่าตัวตายจริงจริงบาปกรรมเก่าก็แทบไม่หมดบาปกรรมเก่าต้องเกิดมาฆ่าตัวตายห้าลอชาติก็ต้องใช้อีกแล้วตายแล้วก็ไปเป็นความทุกข์เป็นร้องโลงห่มร้งองไห้ในการจบตัวเองนั่นแหละแสบสาหัสนะแล้วเป็ น, ปนตายจากมนุษย์แล้วโอากาสจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากที่สุดในโลกนอกจากนั้นไฟอบายหมดไปเป็นเสร็จไปเป็นสัตว์ในชาตเป็นตัวสุรากายสัตว์นรกแม้แต่เทวดาก็เหมือนกันแต่ว่าแต่มนุษย์เลย ตายแล้วก็ต้องไปอาบายหมดโอกาสจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่มีน้อยมากครูภาษาบอกว่าให้ลองลองลองขนาดไหนน้อยมากที่สุดโอ้ขนาดสมมุติเั็นยากเลยเป็นที่เปอร์เซ็นต์ยังยากเลยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดไม่ได้เลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์มันน้อยจนขนาดไม่ถึงหเปอร์เซนแล้วจะศูนยูนยจุดเท่าไหร่กี่เปอร์เซนต์ก็ยังไม่ได้เลยน้อยโอกาสที่ตายแล้วเป็นคนแล้วไม่จะไม่ไปอาบาย นอกนั้นนะไปเอาบายหมดแหละไปเอาบายหมดไม่ใช่ว่าโอกาสจะกลับมาเป็นคนอย่างเดียวนะไปเอาบายด้วยเนะี่ยไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตสุรรกายสัตว์นรกไปตกนรกแม้แต่เทวดาก็ไม่เป็นเพราะสาวกเลยบอกว่าสมมติให้ดูหน่อยสิสมมุติว่าขนาดไหนสมมติเอาสมมุติอะเอาดินในดินในขี่เล็บนี่ยดินในเล็บเนี่ยที่เล็บเนี่ยกับดินในภาคพื้นปฐพีเนี่ยใครมากกว่ากันพวกเราก็รู้แล้วใครมากกว่า ดินในเล็บกับในพื้นพื้นปฐพีใครมากกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายที่ตายแล้วเนี่ยไปไปตกอบายไปไปตกอบายเท่ากับพื้นปฐพีที่จะกลับมาเป็นมนุษย์หรือเทวดาอีกครั้งหนึงกลับพื้นมาเนี่ยเท่ากับในปริมาณดินในที่เล็กแล้วดูที่ว่าเราจะไม่ตกอบายนะแล้วมนุษย์มีโอกาสจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยมีขนาดไหนตายจากมนุษย์แล้วโอกาสจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์โอกาสจะกลับมา ที่ไม่ไปอบายลวมทั้งที่ไม่ไปอบายด้วยไปเป็นเท ว, วดาเป็นอะไรรวมทั้งหมดนะั้นจะกลับได้กลับมาเก็บเป็นเป็นมนุษย์เหมือนอในภพนี้ในภพชาตินี่ยจะมีอีกมีมีเท่าไหร่ ม, มีมีโอกาสขนาดไหนพระเจ้าบอกโอ้ไอ้นั้นยิ่งยากหนักขึ้นอีกยิง่งโอกาสจะกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยไอนั้นไอ้นั้นคนะือตกกระบายนะาาถ้าแผ่นดินจะขึ้นหมายไปกับดีนะแต่โอกาสจะกลับมาเป็นมนุษย์ในโอ้โหขนาดต้องสมมุติเลยว่าโลกเนี้ยไม่มีแผ่นดินเลยมีแต่น้ํา ใ ต, ใต้แผ่นน้ําเนี่ยมีเต่าตาบ่อสองข้างอยู่ตัวหนึ่งหนึ่งร้อยปีจริงจะโผล่มาหายใจครั้งบนผิวน้ำํำมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยถ้ามนุษย์ทั้งหลายในโลกเนี่ยช่วยกันโยนแอกแอกแอกก็เหมือนไับไอไม้ไม้ง่ามเนี่ยที่ไปสวมคอคอเต่าได้พอดีขั้นใดที่ร้อยปีเต่านั้นขึ้นมาโผล่หายใจแล้วได้คอได้สวมแอกได้พอดีที่สวมคอเต่าได้พอดี ตานนเนี่ยตาตาบอดนั่นจริงจะได้กลับทิงได้มาเป็นมนุษย์ท่านบอกว่าคนทั้งหลายในในโลกนี้โยนลงไปแล้วเนี่ยโยนแอกลงไปในน้ําทะเลแล้วเนี่ยลงมาในมาหาสมุทรแล้วเนี่ยลมบกกรพัดอไป้หมดลมทะเลกรพัดออไปั้งหมดลมเหนือกระพัดทไงหมดลมดลใต้ก็ไปหมดขึ้นลมทั้งหลายก็ซัดไปหมดเลยแล้วจะมีโอกาสไหมหนึ่งร้อยปีนะเตาตาบอดสองข้างนั้นที่ผมหายใจแล้วจริงจะได้สวมแอกนั้นแลหละเกิดมาเป็นมนุษย์ เดนเคนแต่ละคนเป็นอย่างนี้โอกาสที่เราจะได้กลับมามันจึงว่าไม่ต้องพูดถึงนะโอกาสจะกลับมามันยากที่สุดในโลกมีทางเดียวต้องปฏิบัตินะเร่งปฏิบัติเร่งทําความเปลี่ยนปล่อยวางเงสียสิทธิ์ย่าหัวประมาจยึดมัน่นหรือมั่นอยู่โอกาสที่ท่านจะกลับมาลอยงยึดคนนั้งยึดคนนี้กัวเมียยึดกันร้องไห้กันทะเลาะเบาแย่งกัน โอกาสที่ท่านจะกลับมาเจอกันอีกครั้งน่ยยากที่สุดในโลกเพราะการต่างคนแตจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกยังไม่มีเลยแล้วท่านจะคิดอะไรได้ถ้าลองคิดดูให้ดีที่อนันตให้ดีใครมีคําถามอะไรไหมนี่เราก็พูดจนหมดหัวใจแล้วเนี่ยหมดใส้หมดรูหมดหัวใจแล้วเนี่ ย, ด, ด, ด, ยด้วยความเมตตาแต่เมตตามากๆนะ อย่าลืมปฏิบัติธรรมและแห่ไม่ตามมากๆทุกวันทุกวันทุกวันเวละหลายครั้งให้แก่เจ้ากรรมในเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังเป็นที่เป็นเพื่อนทุกขกับแก่เจ็บตาที่กันทั้งหมดแห่เข้ามากๆนะแล้วก็เจ้ากรรมในเวรก็ขอโหติกรรมเขาให้ให้บททีส่ส่วนบุญส่สวนกุศลให้เขาในจองเวรจงกรําไปได้เีเด่นขึ้นกันละกันเลยการปฏิบัติธรรมหรือการเารดเินทางในโลกจะได้ผ่านชิ้วตลอดไม่ติดไมขัดและในทางกับการผู้ใดเนี่ย ที่ได้ทํากับเราไว้ล่วงเกินกับเราไว้ทางกายวาจาใจทุกพบกทุกชาติจะถึงในชาติเนี้ยใครที่ทําให้เราขับแค้นใจกดแค้นแค้นเกลื่อนข้างคาเราจะบุกจเจ็เจ็บเคยต่อไปเลยเราก็ขอให้อภยัยเขาให้หมดให้อุตสิกรรมเขาให้หมดไม่ให้แค้นเกลือนข้างคากันอีกต่อไปจบสิ้นพบชาติกันในปัจจุบันหมดเอมหมดกรรมต่อการพบกันแต่ชาตินี้เท่านั้นชาติต่อไปก็ไม่มีแล้วจบสิ้นกันในปัจจุบันนี้ทําดีต่อการจะถึงที่สุด ก่อนที่จะต่างจากกันทําดีที่สุดถึงตัวของตัวเองให้คนทุกไปและทําดีต่อกันที่ครอบครัวเนี่ยดูแลกันทําดีต่อกันถึงที่สุดของความดีเพราะจะไม่มีโอกาสมาเกิดมาเจอกันอีกแล้วเรจะแค่งกันไหมเพราะแค่งเครืองค้างคาน้อยเนื้อต่าใจอยู่ทําไมไอ้ที่เราเนี่ยขอขอกระมาขอกมาขอโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรขอจริงเลยขอขระมาขอไปขอโหสิกรรมตัอเจ้ากรรมนิจเองเี่ อย่าจองเวรจองกรรมกับเราเลยโหที่กรรมให้ใ like ห้เราเถิดอย่าได้เบียดเบียนเราเลยอย่าได้ปุบปายบาปอาฆาตเราเลยอย่าจองเวรจองกรรมกับเราเลยแต่ของเราไม่ให้อภัยใครเลยมันอำไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยของเราไม่ให้อภัยใครเลยแต่ไปขอเขาจังเลยอย่าจองเวรจองกรรมกับเราเลยเมตาเราเถิดเมตาเราเถิดอย่าจองเวรจองกรรมกับเราเลยให้อภัยเราเถิดอย่าได้เบียดเบียนเราเลยนะอย่าได้กันแกงเราเลยนะแต่ของเราึไว้ ไม่ให้อภัยโกรธแค้นเถืองข้างขาปวกใจเจ็บเอ้ยเราไม่นาฟินอย่างนั้นนะเราก็เอทีคนอื่นเราเราขอจังนะเราขอเข้ามาต่อเขาของเราเราก็ให้สิให้อภัยให้อุตสิกรรมให้ความเมตตาให้ความรักความเมตตาเจอกันแล้วมันมาเกิดร่วมกันมาเป็นพ่อแม่ลูกสามีภรรยาพอไม่มีน้อกนั้นก็ดีต่อกันได้ถึงที่สุดแต่พอเราจะไม่บัาเกิดแล้วอย่างเงี้ยตึ๊กในใจอย่างนี้ไมห่หมดเปตตหมดกรรมหมดภพ ห, ห, ห, ห, หมดชาติต่อกัน เราก็ทําความดีให้แก่ตัวเราจะถึงที่สุดแล้วก็ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานสามีภรรยาเราก็ทําความดีจะเข้าที่สุดแนะอื่ทำความดีมก็เพื่อบอ่ามันจะได้มาเจอกันอีกให้อภัยต่อกันจะไปกดแค็งแก่งเกลื่อนกันเดี๋ไปค้างคาบุก พ, พยาบาลอาภาษณแล้วไปแล้วไปแล้วกัไปจบกันไ ป, นไปเออเขาไปมีหมายยิ่งดีเราจะได้ปฏิบัติ ท, ทําได้ เดีป็นหมดเสียใจน้อยใจเลยเออสาธุเลยเขาไปมีใหม่เออดีจะได้มายุบไม่ไม่ต้องบออะไรนะมีผัวควรตัวเอ่ะกวนใจเราอีกไปเลยเราจะได้ปฏิบัติทำได้แล้วเออคิดอย่างนี้โอ้ยมีความสุขสาธุเอามือเท้าหัว่ออยนี่ไปร้องห่มร้องไห้อยู่นั่นแหละอ่ามีใครสงสัยไหมมีอะไรไหมไม่มีเนาะเรฟังกันจนหมดหัวใจแล้วเหลือแต่ทําลยแหละไอ้ดีฟังไปนี้ก็ทำไปหมดแล้วปฏิบัติไปหมดแล้วเหลือแต่ทำกันแล้วเนี่ยเอาสาธุเอวาง อ๋อรับพอในกระดัครับอิติตังปฏิตังตุมหังคิพเมวตมิจตุสัพเตปุเลนตุสังกปาจันโตวันละโยะทามิจติลาโตยะทาสปิริโยอวัจนตุสัพโรโกวินาสตุลมาเตมาวันดรโยอตุกีดีกาโยโกภวาอภิวัตนาสิลิสานิจังวาปจยโน จาตโรถมาวันทีอายุวันโนะตุขังบรังรัตนตยานภาเวนรัตนตยานุเทษามตุกโรกามพยาเวราตุกาสตุจุปตวาอานิกาอันตายายปิวินาสันตุอาสิตตวชายาสิทธิ์นังลาภังตติมากยังตุขังบรัง สริอายุจวันโนจ่าปกังวุติเจจสาวาสตวสจายุจ่ชีวสิธิพระวันตุเตภาวัสสภะมังคารังราคันตุสปเทวตัสาปาะพุทธานุภาเวนะสตาโสติพระวันตุเตภาวัุสาะมังคารังราคันตุสปเทวตาน สาพพะธรรมานุภาเวนาสะทัสสติภวันตุเตภวะตุสาัะมังคารงรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนาสทาโสติภวันตุเต